แล้วก็ไม่มีความเก็บกดตกค้างอีกด้วยอย่างนี้แหละคือความสมบูรณ์แบบของการรู้อายตนะเรื่องจะไม่ให้เห็นภาพยั่วตายั่วใจอีกคงยากฉันไม่ได้อยู่ป่าแบบพระทุดงได้แต่ทำไว้ในใจว่าจะไม่เห็นแค่รูปภายนอกแต่เห็นปฏิกิริยาทางใจภายในไปด้วยที่สี่แยกไฟแดงเช้านั้นให้ความก้าวหน้ากับฉันอีกระดับหนึ่ง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 มีใจเป็นองค์ประกอบสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนี่เป็นโอกาสที่กรมจะแสดงตัวได้ตามจังหวะเหมาะสมและนี่คือเหตุผลว่าเหตุใดเพลงเพราะๆบางเพลงถึงไม่ดังระดับโลกขณะที่เพลงธรรมดาธรรมดาบางเพลงกลักติดหูข้ามทศวรรษเมื่อนักดนตรีได้รับกระแสช่วยหนุนจากแรงกำให้ดังระดับโลกใจคนฟังจะเปิดรับด้วยความตื่นเต้น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 เมื่อสติทำงานเต็มกำลังจนแกร่รอบเข้าสติรู้ลมหายใจหรืออิรยาบทชัดอยู่จากภายในรู้ว่าศีรษะตั้งหรือเอียงรู้ว่าในตาแลหรือกรอกก็เห็นเป็นขณะขณะว่าอย่างนี้อายตนะประจวบกันอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้อายตนะแยกจากกันอย่างนี้กิเลสดับตาม